นีให้อจะนย์มนอาจารย์ตุ้งเล่าเรื่องไปอยู่ในกลุ่มเวียดนามนักบวดป่ายมหาจา์ให้พวกเราฟังแร้สอนอยังไงโดยเฉพาะ อ, อาจารย์ดิทธทตันนี้เป็นพระที่พาประเทศ ที่หนีสงครามประโยชน์กระ จ, จายกันหลายประเทศจนได้รับรางวัลของโลกพระสงอาศัยสันติวิธีให้ทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อนตกสงครา ม, มย่อมยี แล้วก็มีองค์ดาไเชรามะประเทศเน้ที่เบตด้วยรูปหนึงที่มีไปรับรางวัลระดับโลกพาผู้คนทั้งหลายไปอยู่ต่างประเทศโดยเพาะประเทศอินเดียนึ่นเป็นพระสงฆ์แต่เป็นฝ่ายมหายานณนะอาจารย์ต้องเล่าฟังท่านไปอยู่ในกลุ่มพระ เอียดนามมนมอาจารย์ที่ท่า น, นสอนอย่างไรให้มาพูดให้พวกเราฟังเอาไมต้อง น, นั้นไยกันยังกราบขอโอกาสจากหลวงพ่อหลวงพ่อกลมแล้วก็ พระจันทุ่งสินพระจันทร์มัฒนาชัยพระจันทร์สุลินแล้วก็พ่อบัรจุปุ๋ยหลวบัรจงก็ขอโอกาสก็พอดีอะไรนั้นเขาเรียกว่ามีประเทศไทยก็มีโอกาสดีเนาะที่มีครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนในสายแต่ละสายเนี่ยก็ได้แบะเบียนเข้ามากัน อย่างทางมหายานนี่ก็เป็นก็เรียกว่าก็เป็นอีกนิกายหนึ่งทางเรียกว่าในทางพุทธศาสนาเราแต่ว่าเป้าหมายของมหายานเนี่ยอาจจะต่างกับทางเทลาวาตอยู่ตรงที่เป้าหมายทางมหายานเนี่ ย, น เ, นยเขาก็จะเน้นเรื่องการที่จะใหะ้เราเนี่ยสาวกเนี่ยนะพัฒนา ตัวเองไปให้เป็นพระอาบะโลกิเตสวรพระไม่ใช่เป็นอะไรเนาะเขาเรียกว่าเน้นเ ร, เรื่องเรื่องการช่วยกันเนาะพรหมวิหารสี่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเรียกว่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแหลเนี่ยได้ พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คล้ายๆว่าในชาตินี้เนี่ยเราก็ได้ทำอย่างนี้สะสมเ<ะ>ขาเรียกว่าสะสมบุญไป<ะ>เหมือนอย่างเขาเรียกว่าตอนที่พระเจ้าได้สะสมบุญในหลายๆชาติที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าใ น, ในชาติปัจจุบันดังนั้นก็คือตรงนี้ก็จะมีสาระที่ ความต่างกันเนาะความต่างกันในการในรูปแบบการเป็นอยู่ภาพรวมๆที่เราจะเห็นรูปแบบการเป็นอยู่ของทางมหายานเนี่ย<ม>ก็อาจจะดู<ม>บางคนก็อาจจะดูว่าเป็นเขาเรียกว่าทำไมเป็นพระแล้วดูวิ น, ยยนัยหยนย่อนแต่นั้นก็มีลักษณะเฉพาะของเขาเหมือน<ม><ม>อย่าง<ม>ที่หลวงพ่อพูดถึงองค์ดดลัยลามะตรงนั้นก็เป็น นิกายอีกนิกายหนึ่งที่ชื่อมัชรยานตรงนั้นก็จะมีรูปแบบการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ต่างกันวิจิตรหลวงพ่อก็เกริ่นให้ฟังว่าหลวงปู่ทิศนัทธันก็เป็นพระที่ท่านไปจากเวียดนามคำว่าไปจากเวียดนามจริงๆก็ท่านก็ไม่ได้จากอยากไปหรอกแต่ว่าท่านถูกเนรเทศก็ไม่ใครว่าเนรเทศก็คือ ผู้ปกครองของประเทศนั้นไม่ต้องการให้ท่านอยู่เนื่องจากว่าการอยู่ของท่านก็อาจจะขัดขวางการการปกครองเนื่องจากว่าวิธีการของท่านก็จะเป็นวิธีการที่เหมือนกับแตกต่างกันกับทางผู้ปกครองเนื่องจากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะว่าท่านก็ใช้สันติวิธีเป็นตัวนำในขณะที่ผู้ปกครองก็อาจจะใช้ ความรุนแรงเป็นการนำเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็มีภาพที่ต่างกันจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีภาพพระพระทางฝ่ายมหายานเนี่ยฮะก็เผาตัวเองประท้วงนะเผาตัวเองคือเผาตัวเองประท้วงการก็เรียกว่าสงครามเวียดนาม ซึ่งสมัยนั้นสงครามเวียดนามก็ถือว่าเป็นสงครามที่โหดร้ายทารุณที่สุดนะครโหดร้ายทารุณที่สุดก็ถือว่ามีรูปแบบในการจัดการคนที่ไม่เห็นด้วยกับทิศทางของตัวเองอย่างอย่างต้องเรียกว่าก็ถึงขนาดที่มีหนังสร้างกันมาเป็นตำนานเรื่องสงครามเวียดนามนับสิบเรื่องแต่ละเรื่อ ง, แ ต, องแต่ละเรื่องก็แสดงความโหดร้ายต่งตงตางๆนานากันนีน่วา องค์ปู่ทิชนันก็ก็เป็นพระสองฆ์อันหนึ่งที่ดูเป็นเส้นหนามาเพราะเนื่องจากว่าวิธีการสอนของท่านก็ดูจะทําให้คล้ายๆว่าสังคมอยู่รวมกันได้อย่างดีแต่ว่าทําน้าเดียวกันเนี่ยทังคนชั้นปกครองก็ไม่ได้ต้องการวิธีนั้นก็ต้องการวิธีการกดข่มอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้คนอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะ น, นั้นนั่นคือสองทางก็สนทางกันการในละเทศก็ต้องเกิดขึ้นนะ นี่ว่าทุงนี้เนี่ยปู่ปิชนะทันก็เขาเรียกว่าเมื่อตัวเองเนี่ยได้รู้เห็นเข้าใจธรรมเนาะอย่างนั้นก็แบบแบบ เ, เรียกว่าก็ไม่ท้อถอยนะฮะการที่ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฮะก็ได้ก่อล่างสร้างตัวสร้างสังฆะขึ้นมาในวันที่ไป ในวันที่ไปนี่ไปเจอพระชาวอังกฤษลูกครึ่งอังกฤษกับซวิสรูปหนึ่งที่บวชกับหลวงปู่ทิชนันหันมาสามสบสามปีนะฮะสาสามปีนี่ก็คือเมื่อประมาณปีสอง0แต่สงครามเวียดนามนะฮะก็จะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่า ยี่ห้าผู้สตวรวันะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยก็หลวงปู่ทิชานันห์นก็เข้าไปก่อล่างสร้างตัวที่ที่นในในฝรั่งเศสมีชื่อว่าหมู่บ้านพลําตรงนั้นก็ต้องเรียกว่าเรียกศรัทธาผู้คนตรงนั้นได้อย่างสูงเนื่องจากว่าธรรมะของหลวงปู่ก็จะเป็นธรรมะที่ช่วยคล้ายๆว่าช่วยเป็นทางออกให้กับ คนที่อยู่ในสังคมเมืองสังคมเมืองจะมีลักษณะอันหนึ่งที่มีความรุนแรงอยู่ในก็เรียกว่าสภาพสังคมอยู่ตลาดเวลาความรุนแรงอันนั้นก็จะมากับเรียกว่าความรวดเร็วนะความรวดเร็วความรวดเร็วในการตัดสินใจความรวดเร็วในการทำต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ทุกวันก็ถือว่าความรวดเร็วนีก็เป็นความรุนแรองอย่างยิ่ง เพราะว่าพอมีความรวดเร็วขึ้นมาก็มีความหยาบคายตามมาด้วยอย่างนี้นะอย่างนั้นความหยาบคายในที่นี้ก็หมายถึงว่าอาจจะรีบคิดรีบทรีบคิดรีบทำเพอรีบคิดรีบทำรีบตัดสินใจรีบได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาทุกอย่างก็รีบไปหมดเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้มันเกิดก็เรียกว่าความเห็นแก่ตัวเกิดความเห็นแก่ตัวมีประโยชน์ของตัวเองเป็น ส่วนใหญ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็จะสนทางกันกับทางมหายานเนี่ยอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนั่นคือเมื่อหลวงปู่ทิชนะั่นเข้าไปที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปนําเสนอสันติวิธีแต่ว่าหลวงปู่ก็เขาเรียกว่าก็ได้ปรับประยุกนะฮะวิธีการเนี่ยเข้าไปที่จะสอนธรรมะของผู้คนเนี่ยถ้าพวกเรารู้จักกับ ปุตตชนรธิ์เนี่ยก็จะได้รู้อยู่อันนึงก็คือจุดเด่นของท่านก็คือระฆังแห่งสตินะฮะคำว่าระฆังแห่งสติเนี่ยที่สังฆะของหมู่บ้านพรัมก็จะมีการตีระฆังกันทุกสิบห้านาทีนะฮะก็เหมือนกับเหมือนกับนาฬิกาเนี่ยที่มีเสียงติ้งต่องติ้งต่องทุกสิบห้านาทีเนี่ยนะฮะยงแต่ที่นั่นก็จะมีการเคาะระฆังกัน ขึ้นมาไม่ไม่ใช่ว่ารอเพียงแค่เสียงนาฬิกาอย่างเดียวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อเกิดความพร้อมเพรียงนั่นนั่นคือเมื่อได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยเขาเรียกว่าะระฆังแห่งสติเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอีกทีหนึ่งเป็นระยะระยะทุกสิบห้นาทีทุก15นา ท, ท, นาทีแม้กระทั่งเวลาของการคขบฉันก็เหมือนกัน แล้วก็มีระเบียบปฏิบัติกันว่าถ้าหากว่าได้ยินเสียงระฆังเมื่อไหร่เนี่ยก็หยุดทําทุกอย่างถ้าเดินอยู่ก็ยืนนิ่งนะฮะถ้าตักค้าอยู่ก็วางช้อนลงนะฮะก็คือถือเป็นคล้ายๆว่าถือเป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งก็หลวงปู่เองก็ได้ก็เรียกว่าได้เปิดอบรมนักบวชนะฮะเปิดอบรมนักบวช ก็เป็นเวลาอสี่วันนะฮะสี่วันหลวงปู่ก็เริ่มต้นการสอนวันแรกด้วยการที่หลวงปู่ก็พูดถึงระคังแห่งสติว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สติก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้ให้คุ้นเคยแต่ละคนจะต้องสร้างในิสัย ที่จะมีสติกลับมากับตัวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าหลวงปู่ก็เทศเทศคำแรกก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่การที่เราจะดำรงชีวิตนมปวดได้หรือว่าการที่เราจะเพาะหน่ออ่อนของอ่าก็เรียกว่าของจิตใจที่มีเมตตากรุณาตรงนี้ได้เนี่ย ในฐานะของสังฆะของอมหายาณเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีมีสังฆะกันสังฆะของลุง ป, ปู่ก็จะต้องเรียกมาเป็นสังฆะที่ใหญ่มากๆนะฮะอยู่นั้นคำว่าใหญ่มากๆเนี่ยในการที่จัดอบรมครั้งนี้เฉพาะนักบวชเนี่ยก็มีผู้เข้าอบรมทั้งหมดประมาณ500คน500คนนี่จะเป็น จากเวียดนามที่อพยพมาเมื่อประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณสัก500อยกว่าคนที่เหลือก็จะเป็นพระเวียดนามที่เพิ่งมาเพิ่งมาร่วมงานอบรมคราวนี้เนี่ยอีกประมาณสัก200ยกว่าคนแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแม่ชีแล้วก็ภิกษุภิกษุณีชาวไทยรวมๆกันก็อยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะฮะประมาณสัก500อคน สังฆะของของหลวงปู่ทิชชัน์ที่อ่าก็เรียกว่าที่เวียดนามเนี่ยที่บอกว่าถูกอพยกมาเมื่อเดือนกันยาที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสังฆะที่หุ่ง ม, มัดนะฮะมีพระอยู่ห้าร้อยลูกอ่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่แค่พระนะขออภยัยพระเนนและก็ภิกษุณีนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็รวมทั้งสามเณรลีด้วยนะฮะก็รวมทั้งหมดเนี่ยในสังฆะเนี่ย รนะฮะก็ที่นั่นหลวงปู่จะบอกบอกว่ามีห้องประชุมที่จุคนได้สองพันแต่ว่าเหล่าเขาเรียกว่าเหล่าจะเรียกสาวกก็ได้นะขอนึกนึกซับไม่ออกนะฮะขอเรียกคำว่าสาวกไปก่อนสาวกของหลวงปู่ที่ทานหันเนี่ยก็จะมีข้อแม้ว่าจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่เป็นพระนะ่ะ หลวงปู่จะบวชให้เฉพาะคนที่อายุตั้งแต่ 25- สถึงสาไม่เกินนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเนเนเนี่ยในสังฆะก็จะมีเนนตั้งแต่อายุสิบสองบสนะฮะไ ป, ไปเป็นต้นไปทีป่บอกว่าพระชาววูกครึ่งชา ว, ชาวอังกฤษฝรั่งเศสที่บวชมาสาสาปีนี้ก็บวชมาตั้งแต่อายุ13บสมนะฮะบวชมาตั้งแต่อายุ13ก็คือบวชเป็นเนนมาแล้วก็ ค่อยๆกลับมาเป็นพระคือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่พูดถึงขนาดของสังฆะที่มีกันเป็นห้าร้อยห้อตรงนี้เนี่ยแล้วก็ด้วยวัยหนุ่มวัยสาวนะฮะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าหากว่าเป็นการทางด้านการปกครองเนี่ยมีพวกเยาวชนอายุขนาดนี้อยู่รวมกันมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเยาวชนพวกนี้เนี่ยก็ถือว่ามีพลัง พลังสร้างสรรค์อย่างสูงนะฮะก็อาจจะพัฒนาไปเป็นที่เราก็เรียกกันว่ายางเตอร์เลยง่ายๆพอยังเตอร์ก็จะเป็นพวกหอกข้างแคร่ของพวกชนชั้นปกครองกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ทางการเวียดนามเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสังฆะของทางหลวปู่ิี่ชนทันเนี่ยว่าหนึ่งก็คือศึกสองก็คือให้ออกไปอยู่ที่อื่นกันนะฮะอย่างนั้น แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับการการอยู่ตรงนั้นทางฝ่ายปกครองของทางบ้านเมืองก็ถึงขนาดที่ว่าทำลายวัดทิ้งด้วยนะฮะอย่างนั้นก็บอกว่าห้องประชุมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็พวกทำลายทิ้งหมดนี่คือตรงนี้ว่าการอยู่ก็เป็นสังฆะหมู่มากเนี่ย ก็จะมีรูปแบบเนาะหลวงปู่ก็จะจัดรูปแบบที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยขึ้นมาด้วยการที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือรูปแบบของการอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีการฟังอย่างสมบูรณ์นะมีการฟังอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีการก็เรียกว่ามองมองเนาะมองอย่างสมบูรณ์การฟังอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็อย่างที่ นุ่ปู่ก็ใช้ตัวระคังเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยเนื่องจากว่าอย่างของเราเนี่ยพวกเราจะใช้การเคลื่อนไหวนะเป็นตัวเขาเรียกว่าเจริญสติของเราเราจะอาศัยความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าทางสังฆะของหมู่บ้านพลัมเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่เสียงใช้เสียงเป็นตัวเตือนสติแต่ว่าในขณะที่ผู้ที่ยังเหมือนกับยังสติยังไม่เป็น วิสัยเนี่ยก็ถือว่าให้อาศัยเสียงตรงนั้นเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นตัวเครื่องเตือนสติประจำตัวเราหรือว่าถ้าหากว่าอย่างที่บอกว่าการฟังอย่างสมบูรณ์นะฮะก็คือการที่เมื่อคนอื่นพูดกับเราเนี่ยให้เรามีสติที่จะฟังเขาอย่างไม่โตแย้งอย่างไม่ใดใดทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าในหมู่บ้านพรัมเนี่ยก็ใช้เป็นหลักใช้เป็นหลักตรงนั้นเลย เาะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้าการสอนการสอนของหลวงปู่เนี่ยก็จะเน้นนะฮะเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องการที่จะทําให้สังฆะเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ก็อย่างที่บอกว่าที่ตรงสังฆะของหลวงปู่ตรงนี้ก็จะเน้น2เรื่องก็คือหนึ่งเรื่องของละคังแห่งสติแล้วองก็คือการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนี่ตรงนั้นจะแบ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนะฮะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีองค์ประกอบประมาณสักยี่สิถึงสาคนก็จะมีชื่อเป็นดอกบัวสีขาวดอกบัวสีทองดอกบัวสีแดงดอกบัวอะไรต่างๆแต่ว่าทั้งหมดก็จะนำหน้าด้วยดอกบัวนะฮะแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็จะมีตั้งแต่นับบวชที่เอาวุโสที่สุดจนกระทั่งถึงเนรดูแลกันเป็นครอบครัวถ้าหากว่ามีอะไรกันยังไงเนี่ยก็เรียกว่าพูดคุยกันดูแลกันเหมือนกับเป็น เป็นญาติพี่น้องนะฮะอย่นั้นนั่นคือตรงนี้ก็สังฆะตรงนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือก็จะอยู่รวมกันเป็นห้องเดียวกันนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่แออัดับแคบหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่า น, นั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ทั้งหมดหนึ่งหนึ่งสังฆะเล็กๆย่อยๆเนี่ยก็จะอยู่รวมกันนะฮะรวมกันในห้องเดียวกันแล้วก็คล้าย สนิทกันตึกษาหาลือกันที่หมู่บ้านพลัมเนอะหมู่บ้านพลัมขอเรียกว่าหมู่บ้านพลัมพราะม่ในเมืองไทยก็เรียกว่าหมู่บ้านพลัมในเมืองไทยตรงนี้ก็ก็จะมีรูปแบบรูปแบบเน้นรูปแบบกันสูงอยู่นะฮะอย่างนั้นพ่อแม่เหมือนกับการทําเสิ่งาต่างน า, นาที่พร้อมเพรียงกันเน้นเน้นกันทั้งวันเรียกว่าตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะฮะไม่มี เรียกว่าเวลาที่จะอยู่เป็นอิสระเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่เช้าเริ่มต้นขึ้นก็ตีหครึ่งนะฮะก็จะเป็ น, ปนการทำวัดเช้าก็การทำวัดเช้าเนี่ยของเขาจะใช้เวลาหน่งชั่วโมงเหมือนเหมือน ก, นกันกับเราเนี่ยแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีการสวดมนต์เพียงแค่ประมาณสองนาทีเนื้อ มันสองทีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนั่งภาวนาด้วยวิธีอานาปนาสตินะัอย่างนั้นแล้วก็ที่เหลืออีกก็จะมีการคัดพระสูตรนะฮะเหมือนอย่างวันนี้พระอาจารย์ทรงสินก็คัดพระสูตรเรื่องอช่างปันหม้อเนาะใช่ไมฮะอย่านั้นมามาพูดให้พวกเราฟังตรงนี้ก็เหมือนกันที่นั่นก็จะคัดเพียงแค่หนึ่งพระสูตรนะฮะ มามาเอา่อขาเรียกว่าคัดให้สังคะได้เรียนรู้กันนะฮะอย่นั้นที่รูปแบบอีกอันหนึ่งที่ที่นั่นก็มีกันก็คือเขามีการแปลภาษาทันทีนะฮะอย่างเอ่อเขาเรียกว่าวันนั้นที่พวกเราไปกันก็จะมีพูดพูดนำด้วยภาษาเวียดนาม แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่แปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยบางช่วงก็จะมีหูฟังให้ถ้าอย่างเวลาที่หลวงปู่เทศนะฮะก็จะมีหูฟังให้ที่เราสามารถรับฟังได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าอย่างเป็นตอนเช้าที่ว่าเป็นการทำวัดเช้าเนี่ยก็จะเป็นการแปลเป็นลำดับอย่างมีการนำนะฮะนำเ า, าเรียกว่า นาไม่ได้นำสวดแต่ว่านำฟังพิสูจน์เนี่ยก็นำด้วยภาษาเวียดนามแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอีกอันหนึ่งนะฮะตามเสร็จแล้วก็จบแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งภาวนากันจนกระทั่งถึงเวลาละครก็นะฮะก็กลับพระพร้อมกันการกลับพระพร้อมกันของเขานี่จะมีก็เรียกว่าเป็นการไหว้พระนะไม่ใช่เป็นการกลับพระ ก็ตรนเนียมที่นั่นก็หลังจากที่ธรรมะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็หนึ่งก็คือไหว้ซึ่งกันและกันนะฮะไหว้ธรรมะก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราไหว้เขาเรียกว่าธรรมะที่มีอยู่ในตัวของพวกเรากันทุกๆคนไหว้กันแล้วก็สองก็ไหว้พระนะฮะไหว้พระอีกทีหนึ่งตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการจบภาคแล้วก็แยกย้ายกัน แต่ว่าการแยกย้ายกันตรงนี้ก็เพียงแค่6กโมงครึ่งนะฮะก็แยกย้ายทําธุระส่วนตัวเข้าน้ำมงท่าสารพัดก็อีกครึ่งชั่วโมงถัดมาก็ทานอาหารนะฮะก็การจัดที่นั่งการจัดที่นั่งเขาก็จะมีการจัดที่นั่งแบบตอนเช้านะฮะทำบัดก็จะจัดที่นั่งแบ่งกันสองข้างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะฮะอย่างนั้นแล้วก็มีทางเดินตรงกลางแต่พอเวลาที่ เขาเรียกว่าจะฉันเช้าเนี่ยก็มีรูปแบบใหม่นะฮะจัดอาสนะกันใหม่อันนี้คือหมายถึงดูรวมกันหมดนะฮะพร้อมกันทั้งหมดก็จะจัดอาสนะให้กับพระผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นฝ่ายพิชซุปพิชซุนีเนี่ยประมาณอย่างละรูปหกรูปนะฮะก็ถือว่านั่งเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางแลวกที่เหลือก็คือนั่งล้อมทั้งหมดการนั่งตรงนั้นก็จะไม่เป็นการนั่งแบบเรียงลําดับพรรษานะฮะแต่ว่า เป็ียนการนั่งแบบเรกว่าใครเสร็จก่อนก็เข้านั่งก่อนอาจจะเป็นเพรว่าการที่คนหมู่มากก็ไม่สามารถจาแนกแยกแยะได้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวพอทานเข้าเสร็จนะฮะฉันช้าเสร็จเนี่ยก็8ปดโมงครึ่งนะฮะก็ไม่ไม่ใช่8ดโมงครึ่8ง8ดโมงก็มาเจอกันมาเจอกันมหัดร้องเพลง หร้องเพลงร้องเพลงนี่จริงๆไม่ไม่ไม่ใช่ร้องเพลงขอขอภไปขอพูดผิดไปหัดสวดนะแต่ว่าการสวดของเขาก็จะเป็นการสวดแบบร้องเพลงกันนะฮะก็<ม>จะเป็นการหัดสวดกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะจัดที่นั่งกันใหม่นะฮะเป็นที่นั่งเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับที่นั่งห้องประชุมเป็นวงโค้งๆแล้วก็มีหลวงปู่เป็นประธานเป็นศูนย์กลางที่จะเป็น เป็นครูสอ น, สอนก็เวลาที่นั่งฟังกันเนี่ยอิสระนะฮะนั่งคำว่าอิสระหมายถึงว่าใครเข้าที่ก่อนก็นั่งก่อนไม่มีการแบ่งแยกต่ายชายฝ่ายหญิงไม่มีอะไรก็คือนั่งรวมกันไปนะฮะไม่มีการแบ่งแยกอาวุโสหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาก็จะมีแถวแรกเนี่ยนะฮะที่จะที่จะกันเอาไว้ให้กับผู้ที่ อาวุโสมาม า, มากนะอย่างนั้นคำว่าวอาวโสมากมากในเท่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นผู้นักบวชที่ชราใบชลานะแต่ผู้นักบวชที่ใบชราตรงนี้เนี่ยไม่ได้แยกก็เรียกว่าไม่ได้แยกพันษานะอย่างนีน้แต่ก็คือเหมือนกันใกล้ว่าให้ผู้อาวุโสให้ผู้อุโ ส, อโสนั่งข้างหน้าและหลังจากนั้นก็นั่งปะปนกันไปหลวงปูจ่จะเทศ นะฮะวันหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะฮะอยู่ร่วมกันตรงนั้นชั่วโมงกว่ากว่าก็เสร็จก็พักผ่อนนิดหน่อยก็ฉันเพลินร่วมกันนะฮะพอฉันเพลินร่วมกันก็จะเป็นเวลาพักนะฮะพักตรงนี้เป็นพักตามอิสระก็คือประมาณจากเที่ยนถึงบ่ายสองโมงก็ทุกที่เห็นก็จะพักนอนกันนะฮะพักนอนกัน แล้วก็พอบ่ายสองโมงก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งจะเป็นเวลาที่มาพูดถึงคำเทศคำสอนของหลวงปู่เนี่ยา ม, มาใครได้รับได้รับฟังแล้วมีประเด็นที่มีประเด็นที่ประทับใจนะฮะ ก็ในในสังฆะย่อยๆสังฆะดอกบัวขาวดอกบัวแดงเนี่ยก็จะเจอกันคุยกันตรงนี้นะเมื่อเช้าฟังหลวงปู่แล้วชอบตรงนั้นชอบตรงนี้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็มาพูดคุยถึงเรื่องการเทศของหลวงปู่กันแล้วพอเย็นๆก็ประมาณสักห้ามงเย็นก็จะเป็นการทานข้าเย็นนะทานเข้าเย็นก็ตรงนั้นก็จะเป็นเวลาอิสระ อาจจะฝ่ายชายก็จะมีการเตะฟุตบอลกันบ้างเตะตะกร้อบ้างอะไรต่นนางนานาเหล่านี้ฝ่ายหญิงก็แล้วแต่นะฮะแต่หมายถึงว่าก็ตรงนี้เท่าที่เห็นนะฮะก็คือเป็นอย่างนั้นจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือทุ่มหนึ่งภาวานาล้มกันอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ก็คืออย่างที่อันนี้เป็นภาพ ร, รวมๆนะฮะภาพ ร, รวมๆว่าสิ่งที่หลวงปู่ได้คัดสรรมาสอนเนี่ยก็จะทําเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นระบบระเบียบเนาะ อย่างบรรลับสุดเนี่ยการอบรมก็เริ่มต้นทุกที่ทททเช้าทรบัดเช้าทรบัดเช้าก็พอมีพระสูตรเนี่ยก็จะเลือกพระเทก ร, รัตตกระสูตรพระเทก ร, รัตตะสูตรซึ่งเป็นเรื่องของใช่ไหมความคิดของเราที่มักจะคิดไปข้างหน้าบ้างคิดไปข้างหลังบ้างตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่หยิบยกพระสูตรตัว น, นั้นขึ้นมาในเสร็จแล้วพอตอนที่หลวงปู่มาสอน ะะหลังฉันเช้าเนี่ยน้องปู่ก็จะมาเน้นเรื่องอสอนเรื่องว่า1ก็คือที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสังขาแห่งสติก็มีสตินะฮะเป็นตัวหลักตัวนี้แล้วก็สเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องมีสังขารวมกันตรงนี้แล้วก็สมเนี่ยก็น้องปู่ก็จะบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ย ก็ใม้มีการฟังอย่างสมบูรณ์ก็หลวงปู่ก็จะอธิบายรายละเอียดตรงนี้นะฮะว่าก็นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นบันแรกที่หลวงปู่สอนหลวงปู่ก็บอกว่าตัวระคังแห่งสติตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยจะต้องทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตัวเราโดยที่ ไม่ใช่เพียงแค่รอฟังอย่างเดียวน ะ, ะก็ทําให้เกิดมีขึ้นแล้วก็สองเนี่ยการที่ใช้ชีวิตรวมมู่กันตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยกันประคับประคองคือเนื่องจากว่าอย่างที่เอ่อการอยู่กันที่ตรงนี้เนี่ยนะะ้ก็จะเป็นเหมือนกับการอยู่กันที่ผู้คนเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะฮะพอหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้ที่ เป็นอยู่กันก็าอาจจะมีทุกข์มีโศกอะไรกันมากเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะก็จะช่วยกันประคับประคองให้มีชีวิตดําเนินไปมีเรื่องของสังฆะนี่จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกให้ทราบก็คือนักบวชบวชครั้งหนึงเนี่ยจะต้องบวชกันไป5ปีนะฮะอย่างน้อยหรือว่าถ้าไม่งั้นทาไม่5ปีก็ตลาดชีวิตกันไปเลยนะฮะอย่างนั้นหรืว่าถ้าหากว่าจะบวชพระเนี่ยก็ต้องบวชแน่น5ปีก่อน แล้วก็ถ้าพ้นเนรห้ปีไปแล้วก็เข้าบวทพระได้ตรงนี้นี่คือสังฆะของทางทางหลวง ป, ปู่ตรงนี้ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาแล้วก็ในคําบอกคําสอนของหลวงปู่เนี่ยก็อย่างบันแรกก็จบไปวันที่สองเนี่ะก็จะคัดเรื่องพืชสูตรที่บ้าด้วยความรักความเมตตาจําชื่อไม่ได้นะฮะก็จะอะไรยังไงแต่ว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของความรักความเมตตาแล้วก็ การสอนในวันที่สองเนี่ยหลวงปู่เองก็จะมาอะบอกเรื่องของวิธีการที่จะทําให้กล้าอ่อนที่จะเป็นเรื่องของสติจะเป็นเรื่องของอะจะเป็นเรื่องของสติหรือว่าเรื่องของสังขะจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะใช้อานาปนานสติเนาะเป็นตัวเป็นตัวหลัก นะฮะนั้นที่นี่ก็ถือว่าภาวนาด้วยอนาปนาสตินุ ป, ปูจะเปรียบนะฮะว่าอนาปนาสติเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการใช้ลมหายใจที่นั่นก็เมื่อเสียงะระฆังดังขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองนุ ป, ปูบอกว่าลมหายใจเนี่ยเหมือนกับเป็นยานพาหนะที่จะําสติเนี่ยเข้าไปสารวจ ในร่างกายเราน ะ, ะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ว่าอนาปนาสติเนี่ยก็หลวงปู่ก็อธิบายในภาพนี้ว่าเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือพวกเราเนี่ยเหมือนกับได้สํารวจดูจะหายใจเบาหายใจหนักจะหายใจลึกหายใจอะไรงไงก็ตามเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ะะใช้ตัวลมหายใจเนี่ยเป็นตัวพาสติเข้าไปสํารวจในร่างกายเราก็ๆๆ ตรงนี้ก็เป็นวันที่สองที่หลวงปู่เองก็ได้อธิบายถึงการที่เขาจะทําให้คล้ายๆว่ากล้าอ่อนๆของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็พอวันที่สามนี่ฮะหลวงปู่ก็เลือกพระสูตร ท, ที่ที่เป็นพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของการมองหาข้อดีในเขาเรียกว่าในการและกัน นะพระสูตรนั้นก็จะพูดถึงเหมือนกับถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งที่ดูขันหูขัตตาเรามากมากเลยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีข้อดีสักส่วนหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเทียบกับพ ร, รพระสูตรในพุทธการที่พระเจ้าได้ให้ไว้เหมือนกับบอกว่าคนเดินผ่านกองขยะเนี่ยมักระทั่งเห็นผ้าชิ้นหนึ่งที่อยู่ในกองขยะแล้วก็เอาผ้าชิ้นนั้นมาซักเนาะ ก็พอซักสะอาดแล้วเนี่ยผ้าชิ้นนั้นก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาเย็บจีบอนใช้ได้นะฮะอย่างนั้นทนํานองนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับมืบางทีเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยนะฮะอย่างนั้นหรือว่าถ้าหากว่าเราเจอคนที่เราไม่ถูกใจเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นบาจาไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยเนี่ยอย่างนันนะ้เราก็ลองดูนะลองแบกนะฮะก็เหมือนกับคล้ายๆว่า ลองค้นลองหาดูนะฮะลองมองอย่างลึกซึ้งลองฟังอย่างลึกซึ้งหาข้อดีเขาเหมือนกับคนที่เดินไปเจอสระน้ำที่มีจอกมีแหน่เนี่ยเต็มไปหมดเลยหาอะไรไม่เจอสาหลายก็เต็มไปหมดแต่ถ้าหากว่าเขาแบบสระน้ำมันนั้นออกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงไปอาบน้ำในบ่อ น, น, น, นั้นได้ตรงนี้นะก็เป็น เ, เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่าง หรือว่าถ้าหากว่ามองไม่เห็นเลยจริงๆเลยนะว่ามีข้อดีอะไรกริยาก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยนะก็ให้สงสารเขาเลยเพราะว่านั่นคือเขาก็ถือว่าตกทุกข์กได้ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่าเราเจอคนคนหนึ่งที่เขาหลอนแหลมมากลางทะเลทรายแล้วก็ไม่มีอาหารกินมาหลายวันไม่มีน้ํากินมาหลายวัน เราเจอเขาก็ควรจะต้องก็งเรียกว่าหาน้ําหาท่าให้เขากินกันละ่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็หลวงปู่ก็มกไม่ไม่ใช่หลวงปู่ในพระสูตรก็พูดถึงบุคคลที่สามทำนองนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเจออีกบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ดีพร้อมทุกๆอย่างนะฮะวาจา ก, ก็ดีนะฮะกายวาจาใจดีหมดเลยเนี่ยตรงนั้นก็อย่าได้อิจฉาเขานะฮะอย่างนั้นก็ให้ชื่นชมเขาแล้วก็ คบกัเข้าเป็นมิตรนะฮะอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่วันที่สองก็วันที่สานะหลวงปู่ก็ได้คัดสรรพสูตรอันนี้มาในขณะที่คัดสรรพสูตรอันนี้มาเนี่ยถึงเวลาที่บอกที่สอนนะฮะก็หลวงปู่ก็ได้พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ที่เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ต้นไม้ที่เพียนปลูกกันมาเหมือนกับคําสอนที่ บอกกันมาสองวันเนี่ยนะฮะออกดอกออกผลเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่อริยสัจสี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเหมือนกับพิจารณาตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วมันก็จะทำให้ความพยายามของเราเนี่ยเกิดมากเกิดผลขึ้นมาซึ่งหลวงปู่ก็จะพูดถึงเรื่องของทุกนะครับมาการที่เราจะทุู้ทุกของเราเองเนี่ยก็จะต้องฟังคนอื่น เขาเรียกว่าฟังอย่างสมบูรณ์รับรู้ทุกของคนอื่นเนี่ยอย่างก็เรียกว่าอย่างาไม่ชอบไม่ชังเนาะต้องเรียกว่าอย่างไม่ชอบไม่ชังก็คือฟังฟังอย่างที่บอกนะที่นี่จะเน้นเรื่องการฟังเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยการที่บอกว่าทุกข์ของเราเนี่ยเราจะรู้ทุกของเราได้เนี่ยเราก็ คล้ายว่ารับฟังทุกของคนอื่นให้มากการรับฟังทุกขของคนอื่นให้มากเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเองจะได้เข้าใจคําว่าทุกขเนาะอย่างนั้นแล้วก็อันที่สองก็งหลวง ป, ปู่ก็บอกว่าในส่วนของอืสมุทัยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะหลวง ป, ปู่บอกว่าตัวสมุทัยตรงนี้ก็ ท, กที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกตรงเนี้ย พวกเราเองก็จะแบบว่าได้ย้อนไปถึงจุดที่พูดถึงพะสูตรในวันแรกที่เป็นพระเทกรัตสูตรนะฮะที่เป็นเรื่องของการที่ความคิดที่เป็นคิดไปคิดไปเองคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังตรงนี้นะฮะก็บอกว่าในขณะที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเราเองให้เป็นผู้ฟังที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้เราสังเกตในการฟังของเราเนี่ย ว่าความคิดของเรามันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าบ้างเลื่อนไปข้างหลังบ้างเนื้อหาสาระที่จะได้ฟังจากก็เรียกว่าผู้ผผอื่นเนี่ยก็จะถูกความคิดตรงนี้รบกวนนะฮะเพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้ก็หลวงปู่ก็บอกว่าวิธีการก็คือเราก็ต้องเหมือนกับปล่อยวางเนาะหลวงปู่ก็บอกใช้คำว่าปล่อยวางกับการฟังตรงนี้มาหันกลับมามีความรู้สึกตัว มีเสียงละคังเป็นระยะระยะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้กลับมามีสติที่จะฟังกันใหม่สิ่งนานาๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่ได้สอนนะฮะก็มีโอกาสอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ครบ4ี่วันนะฮะก็ได้อยู่แค่สมวันแล้วก็ตรงนี้ก็คือรูปแบบแล้วก็ทุกๆวันนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้พอหลวงปู่สอนก็ตอนบ่ายก็มาตีความกัน เช้าหลวงปู่สอนตอนบ่ายก็มาตีความกันถ้ามานในหลวงปู่ไม่สอนก็เอาพระสูตรที่คัดสรร น, นะฮะให้ฟังตั้แต่ตอนเช้าเนี่ยมาตีความกันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สังฆะตรงนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่โอกาสที่ไปเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่หลวงปู่จะบวชให้กับผู้ที่รอบวชนะฮะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยหลวงปู่จะอยู่ที่ ฝรั่งเศสเนาะคราวนี้นนว่าการมาคราวนี้เนี่ยก็ถือว่ามาให้โอกาสญาติโยมที่อยู่ในแถบเอเชียก็จะมีผู้ที่มาขอบวชแต่ทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็เป็นชาวเวียดนามทั้งหมดประมาณสักสิบสองคนก็ในวันขอบวชก็จะมีรูปแบบเป็นพิเศษก็คือจะมีกลางคืนนะฮะหลังจากธรรมัดเสร็จ เ, เนี่ย ก็จะมีการร้องเพลงกันนะฮะแต่การร้องเพลงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการร้องเพลงในในการที่เขาแต่งกันขึ้นมาใหม่นะฮะแต่งเพลงนีนขึ้นมาใหม่เฉพาะการเป็นการแต่งเหมือนกับแต่งวันนั้น2วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นการยินดีต้อนรับคนใหม่แล้วก็เป็นการชื่นชมหลวงปู่ที่ได้ดูแลสังฆะตรงเนี้ย อย่างก็เรียกว่าอย่างเมตตามาตลอดหลวงปู่วันนี้อายุ84นะฮะก็ถือว่าได้ดูแลสังฆะตรงนี้มาอย่างน้อยก็สัก50ปีเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่เคยก็เรียกว่าไม่เคยเบื่อที่จะบอกที่จะสอนก็มีการบอกการสอนกันอย่างเนี้ยตลอดตลอดมาเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็ในเพลงใ น, ในบทเพลงก็ได้สรนเสริญนะฮะไม่ไม่ใช่สรนเสริญ เเรียกว่าพูดถึงความซึ้งใจที่ตัวเองได้อยู่ในสังขะนี่มาแล้วก็เหมือนกับได้มีความสขกันมาตลอดนะฮะแล้วก็หลวงปู่ก็จะนาทางจิตวิญญาณให้เ็เรียกว่าแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นนักบวชเนี่ยก็ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณในความเป็นจริงเท่าที่มองเห็นนะฮะก็มองเห็นว่าในคาสอนแล้วเนี่ย หลวงปู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็สอนเหมือนกันกรระหลวงปู่ของหลวงพ่อสอนเหมือนกันก็คือจะย่อยก็เรียกว่าธรรมะเนี่ยให้ง่ายแล้วก็สะดวกในการปฏิบัตินะอย่างนั้นตรงนี้เรื่องการฟังธรรมะของหลวงพ่อกับการฟังธรรมะของหลวงปู่เนี่ยก็จะเหมือนกันแต่ว่าที่ทางมหายานเนี่ ย, ก, ยก็จะย่อยลงไปอีกในระดับที่เหมือนกับเหมือนกับถ้าเทียบนะฮะก็เหมือนกับ แม่ก็เคี่ยวข้าวให้ลูกแล้วก็ให้ลูกได้กินเลยอย่างเนี้ยนะฮะก็คือมีลูกปรธรรมมีอะไรตานานาเหล่านี้ที่เหมือนกับให้นํเอธรรมเนี่ยไปใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างของเราตรงนี้เนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นสิ่งที่ทางมหายานนะฮะ<ๆ>ก็จะมีลักษณะของการที่ให้หลัก<ๆ>ใช่หฮะอย่างหลวงพ่อจะให้หลัก<ๆ>แล้วก็<ๆ>ให้แนวทางในการเตือนนะ ในไม่ใช่แนวทางในการเตือนแนวทางในการที่พวกเราจะใช้อย่างพวกเราเองก็จะได้ยินนาะหลวงพ่อก็จะอเทศเนาะเทศนําทุกวันทุกวั น, นหลวงพ่อก็จะหยิบประเด็นของสติในมุมต่างๆเนาะอย่างนี้ที่เช่นอย่างวันนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่วันนี้บางวันหลวงพ่อก็จะบอกว่าอืมให้ศรัทธาความหลงนะนะอย่างเนี้ยวนะันนี้หลวงพ่อก็บอกศรัทธาความหลง คำที่หลวงพ่อบอกเนี่ก็เออความหลงของพวกเราเนี่ยบางทีเวลาที่พวกเราเผลอคิดไปพวกเราก็จะเหมือนกับโมโหตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่พอหลวงพ่อบอกว่าศรัทธาความหลงโมโมก็หมายความว่าความหลงเนี่ยนะเป็นตัวดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้พวกเราเนี่ยก็ได้มองความหลงอย่างอย่างที่เขาเป็นครูเราหรือว่าอย่างบางวันฝนตกหนั ก, นกใช่ไหมฮะหลวงพ่อก็บอกว่าอืมเรานะต้องเจริญสติแข่งเสียงฝนนะ กิเลสเนี่ยมันก็มาถี่ยิบเหมือนฝนอย่างงี้หละเพราะฉะนั้นนั่คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เ, เขาเรียกว่าได้เจริญสติไม่ทันเนี่ยกิเลสก็เอาไปกินหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่คำเทศคำสอนของหลวงพ่อกับหลวงปู่เนี่ยก็เหมือนกันเต็มไปด้วยเมตตาแล้วก็ชี้ทางให้พวกเราเนี่ยได้มีหลักมีประเด็นในการ เึ่ปฏิบัติธรรมประจําวันเนี่ยอย่างดีแต่ส่วนที่ความเพียรเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวพวกเรากันเองนะว่าพวกเราเองเนี่ยจะเพียรกันแค่ไหนเนื่องจากว่ารูปแบบของที่สุขโตนก็เป็นรูปแบบที่เหมือนกับหลังจากที่พวกเราอยู่ด้วยกันธรรมะเชา้าธรรมดเย็นร่วมกันแล้วก็จะเป็นเวลาที่พวกเราจะบริหารจัดการตัวเองจะไม่มีเสียงรังคังแห่งสติเหมือนอย่างที่สังฆะของบูบ้านพลัม ฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะฮะก็หลวงพ่อก็ได้มีเมตตาก็เรียกว่าได้สั่งได้สอนแล้วตรงนี้เนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยก็ได้ก็เรียกว่าได้นาเอาคําสอนพวกนี้ไปทํากันไม่เช้าที่พระอาจารย์ทรงศิลป์ได้พูดถึงเรื่องไม่ใช่พูดถึงเรื่องคัดสรรเรื่องของพระสูตรมาพระสูตรที่บอกว่าช่างปั้นหมอตรงนี้เนี่ย ถ้าพวกเราเคยเห็นวิธีการตั้นหมอ้อเนี่ยฮะวิธีการปั้นหมอ้อเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเอาดินที่เปียกๆที่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาขึ้นรูปการขึ้นรูปตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการที่ต้องเรียกว่าตบซ้ายตบขวา น, นะฮะตบไม่มีหยุดตรงนี้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยให้พวกเราเทียบการตบของช่างปั้นหมอ้อเนี่ยก็เหมือนกับคําเทศคําสอนที่หลวงพ่อเนี่ยได้เพียรบอกเราไม่ว่าจะเป็นมุมนั้นหรือมุมนี้ให้พวกเราเนี่ย ได้เจริญสติกันแล้วก็ตัวการเจริญสติตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เ, เป็นหนทางที่จะพาพวกเราเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็ถึงไม่มีทุกข์ในที่สุดนะฮะตรงนี้ก็ได้ขอไพร่ที่ลบกวนเวลาพวกเรามานานก็เดี๋ยวพวกเรากราบพระพร้อมกัน